เมื่อครึ่งแรกก็ได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นตัวกำหนดสุขทุกข์ของคนเราจะถ้าพูดเพียงแค่สองส่วนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอนะ ทำไมพูดถึงส่วนที่สามนะก็คือความสัมพันธ์กับตนเองนะคือคนเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวเองได้ดีเนี่ยก็คือเราต้องรักตัวเองให้ให้ถูกต้องที่จริงเวลาถามว่าเรารักตัวเองกันหรือเปล่านี่เราทุกคนก็บอกว่ารักตัวเองกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่า จะให้เราเนี่ยนะไปอยู่คนเดียวในห้องซึ่งมีทุกอย่างคือปัจจัยสี่ยกเว้นโทรทัศน์โทรศัพท์นะหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอซีดีดีวีดีทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่คนเดียวนะมีอาหารการกินพร้อม แต่ไม่สามารถติดต่อใครได้ไม่สามารถโทรศัพท์พูดคุยกับใครได้หรือว่าดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอะไรได้คิดว่าเราจะอยู่อย่างนั้นได้ได้นานสักเท่าใดหรืออยากจะอยู่กันหรือเปล่าส่วนใหญ่นี่ก็เท่าที่แตมาเคยถามหนูก็บอกว่าอยู่แค่วันเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่า จริงถ้าเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นด้วยแล้วนี่ไม่แค่อยู่แค่ครึ่งวันนี่ก็จะบ้าตายนะคำถามคือว spong ่าถ้าเรารักตัวเราเองจริงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเองได้สิถ้าเรารักตัวเราเองจริงเราก็ต้องอยู่กับตัวเองได้เหมือนกับเรารักลูกเรารักแฟนเนี่ยเราก็อยากอยากอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับแฟนเรารักรถเราก็อยากอยู่อยกับรถรูปคลํารถทั้งวันอย่างนี้ แต่ทำไมเราลักตัวเองถึงไม่อยากอยู่กับตัวเองเวลาให้นั่งนิ่งๆคนเดียวิเงียบไม่ต้องนั่งก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาวก็ได้นะถ้ากลัวเมื่อยกลัวแข่งขัดนะนั่งนะบนเบาะอยู่คนเดียวเงียบทำไมเราอยู่กันไม่ค่อยได้จะต้องหาเรื่องหาเหตุให้ทํโน่นทํานี่ เพื่อจะไดนะ้หนีจากตัวเองคนทุกวันนี้เนี่ยพยายามหนีจากตัวเองมากนะการที่ไปเที่ยวตามศูนย์การค้าการที่อยู่กับกับโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์ดูจนหลับไปหรือการไปเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆปรับบาคาเร็พูดคุยกับคนตั้งวงสนทนากันหรืออย่างเด็กๆก็ถ้าอยู่ว่างไม่ได้เป็นต้องโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมง ๆ, ๆเนี่ยทั้งหมดนี้ถ้าดูให้ดีนะคือการหนีตัวเองคนเราทุกวันนี้ไม่สามารถจะทนอยู่กับตัวเองได้เดี๋ยวจะให้นั่งทําสมาธิเนี่ยจะมีอาการแพ้ขึ้นมาทันที ปัญหาเช่นนี้คือปัญหาสําคัญอันหนึ่งของคนในยุคปัจจุบันคือว่าเผินห่างแปลกแยกกับตัวเองหรือว่าอายจถึงขั้นเป็นศัตรูกับตัวเองสู้รบกับสู้รบตบมือกับตัวเองจึงไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองได้ถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปต่างๆนาน า, น า, นาความโกรธความเกลียด ความห่วงกังวลโถมทังเข้ามาถึงเกิดอาการกระสับกระส่ายคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เวลานี้เนี่ยไม่สามารถจะจะเป็นมิตรไมตรีกับตัวเองได้เราถึงต้องพยายามหนีตัวเองตลอดเวลาและการที่เราแสวงหาสิ่งเสบถุต่างๆนี้ก็เพราะว่าเราต้องการนน่างนีจากตัวเองด้วย คนเราไม่สามารถจะค้นพบความสุขอย่างแท้จริงถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นมิตรไมตรีกับตัวเองได้หรือว่าเลอกลบสงบศึกกับตัวเองและวนี้เราสู้รบกับตัวเองมากมาเลยนะฮะให้นั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะไม่ไหวกันแล้วเพราะอะไรฮะความคิดที่มันถาโถมเข้ามาคนโบราณถึงบอกเนีว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิให้ระวังวาจาอยู่คนที่ให้ระวังความคิดเวลานี้เนี่ยความคิดมันเป็นนายเรานะฮะเราถึงนอนไม่หลับเพราะว่าใจมันคิดฟุง้งซ่านต่างๆนานาเวลาโกรธใครสักคนนี้ก็กก็นอนไม่หลับเพราะความโกรธมันเล่นงานเราจิตใจมันคิดนึกแต่คนที่โกรธเวลาเกลียดใครนี่ก็ไม่ไหวไม่สามารถสอดความเกลียดไปได้ เดีนี้เราตกเป็นท่าตความคิดมากเลยเราถึงอยากจะหนีตัวเราเองเราจมาคิดว่าเนี่ยสาคัญมากเลยคือว่าทํางานเราที่จค้นพบวิธีที่จะสงบสึกกับตัวเองให้ได้สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริงอย่างที่ตมายได้พูดตอนต้นมาพระพุทธเจ้านี่พระองค์นี่อยู่กับตัวเองได้สามารถเทียนนั่งเฉ ย, ยเฉยได้เป็นวันเป็นอาทิตย์ก็ได้แล้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวชีวัความสุขที่แท้จริง คนเราไปแสวงหาความสุขจากวัตถุเพราะว่าลึกๆเนี่ยไม่สามารถจะมีความสุขกับตัวเองได้ไม่สามารถจะมีความสุขจากภายในได้ถึงต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอกเหมือนกับต้นไม้ซึ่งไม่สามารถที่จะย่างรากลึกเพื่อที่จะไปดูดน้ําจากใต้ดินก็เลยต้องพึ่งฝนฟ้าจากข้างนอกพอฝนฟ้าไม่ตกก็เสร็จแล้ะพอไม่รู้จักวิธีที่จะดึงดูดเอาน้ําจากภายใน จากข้างล่างจากพื้นดินได้คนเราทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้กันนักมารมคิดว่าเนี่ยจำเป็นมากเลยที่เราต้องหาทางฟื้นฟื้นมิตรภาพภายในตนเองขึ้นมาห้ได้สร้างสมานฉันจักตัวเองขึ้นมาให้ได้ตรงนี้คือทาไมสมาธิภาวนานจึงจเป็นเพราะสมาธิภาวนานมันสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองและสามารถที่จะ จะเป็นสุขกับกับตัวเองได้เพราะว่าสมาธิภาวนาช่วยทำให้เรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่ปล่อยให้ความคิดความโกรธความพยาบาทความฟุ้งซ่านนี้เข้ามาเป็นนายทุกวันนี้เราคิดเก่งนะจนดูเหมือนว่าความคิดนี่มันอยู่ในอำนาจของเราแต่ที่จริงเราเราคิดเก่งก็จริงแต่เราหยุดคิดไม่ได้เราไม่สามารถจะปล่อยวางความคิดได้ เมื่อเราไม่เศร้จะปล่อยวางความคิดได้ความคิดมันก็เลยเล่นงานเราจนงอมนะจะเป็นยิ่งที่เราใจต้องรู้เท่าทันตัวเองแล้วเรารู้ว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะความคิดมันครอบงําเราเราเราไม่รู้ตัวให้ความคิดให้ความโกรัวให้ความโลภความวิตกกังวล น, นี่มันเล่นงานเราถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยความคิดฟุ้งซ่าน ที่พาเราเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์นี่มันจะทําอะไรเราไม่ได้เราจะปล่อยทันทีที่เรารู้ว่าความโกรธกําลังเกิดขึ้นเราจะหลุดออกมาทันทีทันเมื่อความโกรธมันเข้ามาครอบงําเราความห่วงกังวลมาครอบงําเราแต่พราะเราไม่รู้นะเราถึงไปยึดมันเอาไว้ทั้วเนี้เราทุกข์เพราะความยึดของเราเนี่ยมากนะไปยึดไปไม่วางมันมี นายทหารคนหนึ่งนะับยศนาวเอกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชริรยานวงซึ่งเป็นอุปัชาของในหลวงองค์ปัจจุบันวันหนึ่งแกก็มาหาสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ที่วัดบวรนิเวศสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเป็นความทุกข์มากคือก็มาหาสมเด็จพระสังฆราชพระสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเคยบวชให้ตอนที่ามามาบวชที่วัดบวร เดยวก็มาบนว่าไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับมันทุกข์เหลือเกินทุกข์ทั้งเรื่องบ้านทุกข์ทั้งเรื่องครอบครัวทุกข์ทั้งที่ทํางานไม่รู้จะทําทยังไงพูดไปก็บ่นอย่างเดียวว่าไม่ไหวมันหนักเหลือเกินหนักจนจะทนจะ ท, ทนไม่ไหวอยู่แล้วสมเด็จพระสังฆราชก็นั่งฟังเฉยๆนี่แหละเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ แล้วท่านก็ให้บอกนั่งคุกเขา่าเอามือยื่นมาแล้วก็เอากระดาษแผ่นนึงเนี่ยให้ถื อ, อไว้นะบอกถืออย่างนี้นะเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็หายก็ไปในห้องที่ประทับห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ยังไม่มาพนาวากคนนั้นก็ถือเงี้ยถือแล้วก็นั่งคุกเข่าเนี่ย สิบนาทีสิบห้านาียี่สิบนาทียิ่งนานก็ยิ่งเป็นไงเมื่อยฮะเมื่อยเมื่อยจนกระทั่งเรียกว่าเหูเ hmm. ง mm ื hmm. mm ่อจะออกเลยเสร็จแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงนั้นเสร็จแล้วพรสังฆราชก็กลับเข้ามาก็ถามว่าเป็นยังไงนาเบลคนนั้นก็บอกว่าหนักเหลือเกินครับเลยพระสังฆราชบอกว่าหนักก็วางสิถ้าถืออย่างนั้นเนี่ยมันก็หนักสิเพราะมันหนักก็วาง สมัยท่านพระสังฆรา น, านี้่ต้องการบอกนาวะเอกคนนี้ว่ายอย่างไรฮะท่านต้องการบอกว่าที่คุณทุ ก, ท, กทุก็จะไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเป็นเพราะคุณไปยึดเอาไว้คุณไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางคือทําไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะถ้าเอาแต่ยึดนะแม้กระทั่งกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยซึ่งมันเบาเนี่ยถ้าคุณถือเอาไว้เรื่อยเื่เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็กลายเป็นหนักแล้ว คือเวลานี้เนี่ยที่เราทุกนี่พอเราไปยึดเอาไว้นะแล้วยึดแล้วเรายึดไปโดยไม่รู้ตัวไอความไม่รู้ตัวนี่นทำให้เรายึดเอาไว้เคยได้เคยได้ยินไหมครัเวลามีไฟไหม้เนี่ยมีคนบางคนนี่ก็แบกตุ่มแบกตุ่มหนีไฟเวลาธรรมดานี่แบกไม่ไหวแต่เวลาไฟไหม้นี่แบกตุ่มได้แล้วไม่รู้จะแบกไปทําไมในเมื่อมันมีอะไรที่มันน่าแบกมากกว่า น, นั้นน่ะใช่ไหมทำไมถึงแบกตุ่ม มันไม่รู้ตัวไงไอความไม่รู้ตัวความตกใจอะไรจะอยู่ใกล้เหมือนก็ชวยไว้ก่อนนี่เรายุดแมเราแบกมาก็ะทังตุ่มนะทุกวันนี้เนี่ยเราแบกหินเอาไว้ในใจก็คือก้อนอารมณ์ก้อนความคิดซึ่งสัมผัสซึ่งจับต้องไม่ได้แต่บางทีเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าหินอีก ทันทีที่เราไปแบกไปยึดเอาไว้มีมีผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, ะก็อายุไม่มากไม่ถึงสี่สิบนะสามสกว่ามาพูดความจริงว่าสามีของตัวเองเนี่ยนอกใจอยู่กันมาสิบอดปีได้พอรู้ว่าสามีนอกใจก็โกรธโกรธมากว่าสามีนั้นไม่ซื่อสัตย์ เวลานึกถึงสามีนี่ก็จะนึกในใจว่ามึงทาลายชีวิตของกูชีวิตสิบดปีของกูนี่มันสูญหายไปเพราะมึงนึกในใจนะกูขึ้นกูขึ้นมึงเลยโรดนะแต่ก็เป็นนี้แค่นี้สามวันสามวันผ่านไปก็สึกสบายขึ้นแกก็รู้สึกเออเป็นเพราะว่าได้ฝึกสมาธิภาวนาเนะ่มันก็เลยหายไปเสร็จแล้วก็ทาเรื่องทาเรื่องยา ผ่านไปหกเดือนก็ไปนั่งไปทำสมาธิไปเดินจงกรมนั่งสมาธิระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยใจมันแวบไปนึกถึงนึกถึงผู้ชายนึกถึงพฤติกรรมของเขาเนี่ยไอความโกรธที่นว้นหายไปเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเลยขนาดผ่านไปแล้วหกเดือนเนะเดินก็โกรธซ้ายก็โกรธขาก็โกรธนะรู้สึกแย่แย่มากเลย ตัวเองนี่รู้สึกตัวงคิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติทำมาจนกทั้งสามารถจะละความโกรธได้ภายในสามวันที่จริงไม่ใช่มันแค่หลบซ่อนตัวอยู่ก็ขึ้นมานึกถึงเรื่องที่ผ่านแล้วก็ยิ่งโกรธเืินตอนนั้นเนี่ยแจังเดินจงกรมอยู่แล้วก็เอามือเนี่ยประสานไว้ที่ท้องเดินไปชั่วโมงนึงเนี่ยก็เมื่อยเมื่อยมือพอเมื่อยมือเสร็จก็ปล่อยมือลงพอปล่อยมือลงก็สบาย แต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่สบายกายนะเกิดสบายใจขึ้นมาอย่างที่ตัวเองนึกไม่ถึงเพราะได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพราะปล่อยความทุกข์ก็หมดไปตอนที่เมื่อยเนี่ยเมื่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยนะมือสบายกายก็สบายไอ้ตรงนั้นงที่ได้สติขึ้นมาเลยว่าเป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้ยึดเรื่องราวในอดีตไว้นะมันถึงทุกข์ ขอเพียงแต่ปล่อยออกไปจากใจจิตใจก็สบายแลหลังจากนั้นเนย น, นับแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์อีกเลยเพราะรู้ความจริงว่าที่ทุกข์เนี่ยเรื่องสา ม, มีเพราะไปยึดกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแนอดีตเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสักทีก็ไปยึดเอาไว้เ น, นี่ยแต่มาคิดว่าคนเราเนี่ยคือถ้าเรามีคนเราทุกข์เนี่ย เราทุกเพาะความคิดและที่เราทุกเพาะความคิดเพราะเราไปยึดเอาไว้เราไม่มีสติรู้ตัวแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวเนี่ยมันจะปล่อยวางได้มากขึ้นและใจเราก็จะบสบายก้อนหินเนี่ยมันหนักแต่มันหนักต่อเมื่อเราไ ป, ไปอุ้มมันไปแบกมันแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไปอุ้มไปแบกมันมันกองอยู่บนพื้นเราก็ไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยอะไร น, ะนี่นทำไมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีสติรู้ทัน ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นมิตรกับตัวเราเองได้เราจะอยู่กับตัวเราเองได้ไม่มีวัตถุสิ่งเเสพแม้แม้จะไม่มีคําสารรเสริญเยินยอนเราก็มีความสุขได้เป็นความสุขที่มาจากภายในแต่เราคิดว่าถ้าคนเราเนี่ยนะมีสามารถที่จัดการความสัมพันธ์ของกับวัตถกุกับผู้อื่นแล้วก็กับตัวเราเองได้เนี่ยจะมีความสุข และการทําความดีเนี่ยฤจเรศธรรมเนี่ยมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้สึกว่ามันต้องไปดิ้นรนแส่สายแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมาจากภายในมาจากความรู้จักพอมาจากการรู้จักปล่อยวางมาจากความที่มีเมตตากรุณากับผู้อื่น มีคนเขาบอกว่าวิกฤตการในชีวิตและในสังคมเนี่ยหรือในโลกเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้สองอย่างหนึ่งไม่รู้เรื่องชีวิตสองไม่รู้เรื่องเงินไม่รู้เรื่องชีวิตคือไม่รู้จักตัวเองไม่รู้เรื่องเงินคือไม่รู้ว่าเงินมันมีคุณและโทษอย่างไรบ้างหรือว่าเงินเนี่ยมันมีขีดจำกัดแค่ไหนในการพาเราเข้าถึงความสุขเรามายคิดว่าตรงนี้แหละคําว่าสงบและสว่างนั้นจำเป็นเนี่ยพะถ้าเราความสว่างที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจในชีวิต ความเข้าใจในสิ่งวัตถุสิ่งเเสพในเรื่องโลกธรรมและความรู้ความเข้าใจจะทําให้เราปล่อยวางเมื่อปล่อยวาง ค, คือจะเกิดความสงบอาตมาอยากจะจบด้วยนิทานนะของปราดเหล่าปราดที่ทจังจื้อนะฮะเป็นนิทานเตา๋าสั้นๆ น, นะเป็นเรื่องคนที่ลาคาญเงาของตัวเองแล้วก็อยากจะหนีรอยเท้าของตัวเองทํำยังไงฮะ อยากจะหนีเงาแล้วก็หนีรอยเท้าก็วิ่งแต่วิ่งเท่าไหร่เนี่ยเงาก็ไล่ตามรอยเท้าก็ตามมาติดๆวิ่งจนวิ่งจนข้ามภูเขาเงาและรอยเท้าก็ยังตามมาอยู่นั่นแหละแกวิ่งวิ่งวิ่งจนจนจ น, จนตาย ก็ไม่สามารถจะหนีเงาแ ล, ล้วลอยเท้าได้ทราบไมครัว่าทำงไนถึงจะหนีเงาแ ล, ล้วลอยเท้าได้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ถ้าเรานั่งสงบสงบใต้ต้นไม้เนเงาก็หายหลอยเท้าก็ศูนย์ไปด้วยทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยหนีความทุกข์คนเราพยายามหนีความทุกข์แต่การหนีความทุกข์เราก็เหมือนการหนีหนีเงา เราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเราะเรา่อความทุกข์จะหายไปเราวิ่งเพื่อที่จะเสพเพื่อได้ตักตวงเพื่อให้ครอบครองสิ่งต่างๆมากมายเราได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ความทุกข์ก็ไม่เคยหายไปไม่ต่างจากคนที่วิ่งหนีเงากลางแดดแต่เราไม่เคยแต่เราหารู้ไหมว่าที่จริงเราเพียงแต่หยุดอยู่ใต้ร่มเงาไม้ เงาและรอยเท้าก็จะหายไปคนเราถ้ารู้จักพอรู้จักสงบเลิกดิ้นรนแส้ทรา ย, ายความทุกข์ก็หายไปเองนะอันนี้แหละคือความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงนะอาตมาคิดว่าคงจะในเรื่องการบรรยายคงยุติเท่านี้แต่ว่าจากนี้ไปจะมีการซักถามนะเปิดโอกาสซักถามได้นะฮะ อขอเชิญเลยครมีคำถามว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรต้องข้อสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องกระาจก่อว่าธรรมะซะก่อนควาว่าธรรมะเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีถึงแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์สรุปง่ายๆคือศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็หมายถึงความประพฤต ธรรมะที่เกี่ยวกับความประพฤติเราเรียกว่าศีลธรรมเกี่ยวกับความประพฤติไม่ใช่แค่ศีลห้านะฮะแต่หมายหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าการบริโภคอย่างพอเพียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องศีลจะเป็นเรื่องความประพฤตินะอะไรอะไรที่เป็นเรื่องความประพฤติทางกายวาจาเนี่ยรวมทั้งการทํามาหากินที่เรียกว่าสัมมาชีวะ เราเรียกว่าศีลสมาธิก็คือการเรื่องการฝึกใจฝึกใจให้เกิดสติเกิดสมาธิอย่างเทตมาว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางมีเมตตากรุณามีอดมีความอดทนมีสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอันนี้เรียกว่าสมาธินะสมาธิไม่ได้ไหมายความว่าหลับหลับตานะฮะสมาธิในความหมายนี่หมายถึงการฝึกจิตให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มี สุขภาพปัญญาศีลสมาธิและก็ปัญญ า, นะ า, ป, ญญาปัญญาคือการทำใจให้เกิดความสว่างสวยคิดเป็นคิดถูกคิดชอบนะรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองมองในแง่บวกมองไปในทางที่กระตุ้นให้เกิดกุศลจนกระทั่งถึงขั้นที่รู้แจ้งในสัจธรรม เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเห็นว่าโลกธรรมนั้นมันไม่เที่ยงอันนี้คือเรื่องปัญญาอันนี้ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันมีสามสามสามข้อใหญ่ๆหสามประเภทใหญ่ๆเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเข้าสมาธิอย่างเดียวนะอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเจ่าเราทํางานดีเพราะ นะถ้าเราทํางานเนี่ยโดวยวัตถาเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทําแล้วเรามีความเพียรเรามีความขยันใจเราไม่ลอยเราทําเพราะต้องการให้งานนั้นเกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ได้ทําเพราะอยากเด่นอยากดังไม่ได้ทําเพราะว่าคิดจะได้ผลงานคิดจะได้สิ่งตอบแทนเข้าตัวเราทําโดยมีชันทะคือเป็นแรงจูงใจนะ ก็ น, นี่ก็คือปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งนั่งฟังอยู่เนี่ยนะใจก็ติดตามสิ่งที่อาตมาพูดใจไม่ลอยหรือถึงลอยก็ดึงกลับมาใจไม่เป็นนึกถึงเรื่องอื่นไม่ไปนึกเรื่องอดีตไม่ไปถึงปไม่ไปอนาคตไม่ห่วงกังวลกับรายการหรือกิจกรรมหรือกำหนดต้นหมายตอนเย็นเสร็จงานนี้แล้วเนี่ย อยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานี่มันมีความหมายกว้างเนี่ยเมื่อคำว่าบุญเนี่ยบุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําสังฆทานใส่บาตรพระอย่างเดียวใครทําความดีเราอนุโมทนายินดีด้วยนี่ก็บุญนะฮะหรือว่าจทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม กิจส่วนรมเนี่ยนี่อาจจะหมายถึงกรมศุลกากรอาจจะหมายถึงสํานักงานอาจจะหมายถึงสังคมประเทศชาติอาจจะหมายถึงระแวกบ้านของตัวเราเองก็เป็นบุญความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ฟังเด็กฟังเปิดใจกว้างฟังความเห็นของผู้ที่มีมีอายุหรือว่าฐานะต่ำกว่าเราหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเรา เวลาจะทําอะไรก็ไม่ใช้เส้นเพราะคิดว่าฉันนี่ใหญ่นะอันนี้เรียกว่าอัปปัจจะณใหม่ความถ่อมตัวไม่อวดเบง่งหรือว่าไม่ถือตัวนะก็เป็นบุญอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคําว่าธรรมะในความหมายนี้นะหรือเข้าใจความบุญเนี่ยในความหมายที่ กว้างตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันทำได้ทุกเวลาเนะทำได้ในขณะที่ทำทำงานหรือที่ไม่ไ ม, มต้องนั่งหลับตาหรือเข้าสมาธิอย่างเดียวก็ได้มีคำถามอื่นไหมฮะรุ่นนี้ค่อนข้างเงียบพระอาจารย์ครเพราะว่ารุ่นก่อนๆเ น, นี่ยถามกันคืึกคักมากรุ่นนี้มีคำถามไหมคะน้องอ้อยอยู่นี่นะคะส่งสัญญาณนิดเดียวอ้อยทางนู้นมีไหมคะ จะถามที่ไม่ลอยด้วยตัวเองก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องส่งคําถามอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็พระอาจารย์เล่าเรื่องความตายหน่อยสิคะเพราะว่าพระอาจารย์จะพูดถึงแล้วก็เขียนเรื่องความตายเยอะมากเราจะตายกันได้อย่างไรแล้วก็หนุ่มๆสาวๆหรือว่าจะต้องรอจนแก่แล้วค่อยตายแล้วจะตายยังไงถึงจะสวยงามค ะ, ะดูอันนี้ก่อนสั้นๆนะสองไม่ถึงสองนาที ข้างหลังคอนเทนต์นะฮะไม่มีเสียงนี่เงียบคือภาพนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏะของชีวิตนะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะกลายมาเป็นคนกลายเป็นทาโลกนะแล้วเราก็โตขึ้นมานะจริงๆมันจะถ้าภาพนี้ถ้าจะจะจบลงการที่เรียกว่ า, เ, าเมื่อมีลูกแล้วใช่ไหมฮะ ในสุดลูกเราก็โตขึ้นส่วนเราก็แก่ลงแก่ลงและในสุดก็ตา ย, เ, ยเสร็จแล้วลูกก็ทําศพให้เราเสร็จแล้วลูกก็ในสุดก็จะดําเนินลอยตามแล้วก็คือว่าแก่แล้วก็ตายไปนอันนี้คือคือวัฏจักรความจริงของชีวิต คนเราทุกคนเนี่ยในที่สุด ก, ก็ต้องตายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องความตายเราก็เลยทำอะไรไปให้วุ่นๆเอาไว้เราจะได้ลืมตายคนสมัยนี้จำนวนมากเนี่ยอยู่แบบลืมตา ย, ยและพอถึงคราวตายจริงๆก็ทุลนทุลายแล้วก็ตายด้วยความหลง ภาษาโบราณเขาเรียกว่าหลงตายคือตายยังไม่มีสติความตายเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนของชีวิตนะแต่ว่าที่มันแยกกันนะคือว่าความตายนั่นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่เราจะตายเมื่อไหร่จะตายอย่างไร ตายที่ไหนตายเมื่อเราอายุเท่าไหร่ตายแล้วไปไหนก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงฮะในเมื่อสักวันหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องตายมีคนพูดว่าเนี่ยไม่แน่นะชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้เขยนึกกันอย่างนี้บ้างไหมฮะชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้ คนเรานึกว่าไอ้พรุ่งนี้เนี่ยมันเดี๋ยวเดียวเองชาติหน้าอีกต้องไกลไม่แน่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะเขาก็ตายก่อนที่จะมาถึงก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมาถึงคําถามก็คือว่าแล้วเราเตรียมพร้อมหรือ ย, ยังหรือเราคิดว่าเอาไว้ให้แก่ก่อนถึงค่อยเตรียมพร้อมแต่ที่แย่คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าแก่เราจะมีโอกาสได้แก่หรือเปล่า ตามาเองก็ไม่แน่ใจ ว, ว่าตัวเองได้แก่หรือเปล่านะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความตายไว้เสมอการที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องความตายไปเลยก็ทำให้เราใช้ชีวิตยอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเราใช้ชีวิตยอย่างไม่ถูกต้องเราก็เลยเจอความตายอย่างไม่ถูกต้องด้วย คือความตายเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมองเป็นมองว่าเป็นวิกฤตนะมันก็จริงอ่แต่ว่าในทางพุทธศาสนาบอกว่าความตายก็เป็นโอกาสด้วยความตายเป็นวิกฤตทางกายภาพก็จริงดินน้ำลมไฟแตกดับไปร่างกายบีบคั้นเจ็บปวดเพดแซบแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสทางจิตวิญญาณในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่า วาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเราทําจิตทําใจให้ดีก็าสามารถจะไปสู่สุกติหรือว่าสามารถที่จะไปถึงขั้นหลุดพ้นได้อาจารย์พุทธทาสพิกขุเรียกวาระสุดท้ายของชีวิตว่านาทีทองของชีวิตเป็นนาทีทองนะฮะพวกเราเคยดูเคยได้ยินรายการนาทีทองใช่ไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วนาทีทองคือว่าโหเป็นนาทีที่จะได้เงินเยอะแต่นาทีทองของชีวิต ที่อาจารย์พูดท่านพูดนี่หมายถึงโอกาสที่ได้พัฒนา ย, ยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาจนอาจเข้าถึงความหลุดพ้นได้แต่จะทำเช่นนี้ได้เราต้องรู้จักรู้จักฝึกใจงั้นถ้าเราฝึกใจไว้ดีเนี่ยความตายจะไม่น่ากลัวฮะหลายคนสามารถที่จ ะ, ะเผชิญความความเผชิญวาระสุดท้ายในชีวิตได้ไ ด, ด้วยใจที่สงบ ไม่ใช่พระเท่านั้นนะอาจจะเป็นคารวาทธรรมดาอาจจะเป็นเด็กด้วยซ้ําสามารถที่จะไปอย่างสงบได้ให้การตายอย่างสงบนี่เป็นเรื่องยากเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อได้เราจะมาคิดว่าจุดหมายสําคัญของชีวิตของคนเราเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตายอย่างสงบได้การมีเงินมากมายมหาศาลไม่ได้เป็นหลักประกันเลยว่าเราจะตายอย่างสงบอาจจะทุกข์ด้วยเพราะกังวล หวงแหนทรัพย์สมบัติไม่สามารถจะปล่อยวางได้บางทีเงินที่มีมากมายมห า, าศาลกับกายเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถจะเข้าถึงความความสงบในวาระสุดท้ายได้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องชาติหน้านะซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งเอกลายออกไปแล้วก็บางคนก็บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้เอาชาติปัจจุบันเนี่ยก็คือตอนที่เผชิญความตายเนี่ย คนที่ทำความดีเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะตายอย่างสงบคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำความดีไว้เลยก็อจะตายอย่างทุรนทุรายแม้จะมีเงินมากมายมห า, าศาลก็ช่วยอะไรไม่ได้เพรถึงเวลาจะพอถึงเวลาตายแล้วเทคโนโลยีนี่มันมีความหมายน้อยมากนะต้องอาศัยจิตใจยังมีเด็กคนหนึ่งอายุสิบขวบเนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งแล้วก็แม่ก็เพืนเข้าใจธรรมะอยู่บ้างก็ ก็อยอมรับความตายได้แล้วก็พยายามที่จะสอนพาลูกให้ได้เข้าใจเข้าถึงศาสนาพาไปเที่ยวสวนโมกพาไปพาไปทําบุญแล้วก็พาไปเอฟังธรรมะบ้างแม่เขายอมรับนะแม่ก็รักลูกมากแต่ก็ยอมรับว่าในถ้าหากว่าลูกจะไปเนี่ยก็มีแต่ธรรมะที่จะช่วยลูกได้แล้วว่าสุดท้ายเมื่อลูกจะไปเนี่ยลูกเขาก็เขาก็ อาเจนเป็นเลือดออกมาทีแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูจะไปแล้วนะแต่พออาเจียนเริ่มมาก็ตกใจก็ถามพยาบาลวา่าหนูจะไปหนูจะตายแล้วหรือพยาบาลนี่ก็เป็นพยาบาลที่เข้าใจเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เตรียมเตรียมใจกับกับเด็กมาตลอดก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อน้องอ๋องน้องอ๋องนี่น้องอ๋องใช่หนูกําลังจะตายแต่ว่าน้องอ๋อง อยตกใจน้ององค์เป็นคนกล้าอาจารย์พุทธทาสอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กคนนี้เขารู้จักอาจารย์พุทธทาสให้น้ององค์เนี่ยก้าวขึ้นไปข้างหน้าเลยป้าป้าคือพยาบาลและแม่จะช่วยหนูเสร็จแล้วพยาบาลนี่ก็เตือนสติแม่แม่ก็กาลังตกใจบอกเตือนสติว่าให้แม่เนี่ยทําใจให้สงบเพราะว่าถ้าแม่ทําทําแม่ถ้าแม่ตื่นตกใจลูกก็จะตกใจไปด้วยให้แม่ทําใจสงบแล้วก็ สอนลูกนำลูกให้เกิดสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแม่ก็พูดตามพูดนำลูกนะลูกก็ทำตามแล้วก็วันนั้นเด็กก็ตายอย่างสงบจิตขนะัวกนั้นนะฮะเป็นมะเร็งในเวลานั้นเนี่ยในยามแล้วเนี่ยไอ้ยานี่มันเอาไม่อยู่นะฮะยาระงก็ปวดที่เอาไม่อยู่ ใช้พวกท่อเทอร์แรงต่างก็ไม่สามารถจะช่วยช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่แต่จิตใจนี่แหละสำคัญธรรมะสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยกา ร, ราการที่เราได้ฝึกเอาไว้อยู่เสมอฝึกเอาไว้ทาฝึกไว้ไล่ฝึ ก, เ, ฝ ก, เ, ฝกเราก็ทำได้อะไรอย่าง น, นก็คือหนึ่งพิจารณาความตายอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อก็ไม่รู้ชั้นนะอาจจะมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็พยายามทาความดีให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ เมื่อเวลาใกล้าตายเรานึดถึงความดีเราจะได้มีความปิติไม่ใช่พอจะตายแล้วนึกหาความดีของตัวเองไม่เจอเหมือนกับควานหาเข็มในมาสมุดในเวลาตายนี่มันเวลานิดถึงความชั่วของตัวแล้วนี่มันจิตใ จ, จไม่เป็นสุขนะเขาเรียกว่าเขาจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตคือภาพภาพที่เกี่ยวกับการกทําในวดนีอย่างนี้ฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวคือการ การที่ภาพในอดีตย้อนกลับมาตัวนี้ย้อนกลับไปเหมือนกับว่าย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในอดีตเพะถ้าเราทําความดีเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นภาพที่ดีถ้าเราทําความชั่วหรือมีสิ่งค้างคาหรือสิ่งมีสิ่งที่กระทบใจมันก็จะติดยึดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็ทําให้เราเนี่ยไปสู่ทุกขติได้หรือว่าทุรนทุลายตายด้วยความทุกข์นะยังไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วจะไปไหนนะฮะเอาแค่ว่า ตอนจะจะตายนี่ก็ทุกทรมานเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเอาไว้เราโดนกรรมันิมิตเล่นงานนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้เลยหรือว่ามองหาความดีของตัวไม่เจอนะอันนี้ก็สำคัญมากแล้วก็การฝึกใจให้ปล่อยวางเช่นการมีสติการทำสมาธิหลายคนนะเวลาป่วยหนักเนี่ยเขาเขาไม่กินยาแก้ปวดนะไม่ใช่ยาแก้ปวดแต่ใช้ใช้ใช้ใช อนาปาณสติตามลมหายใจเขา้าตามลมหายใจออกหรือใช้ยาแต่น้อยแล้วก็จากไปอย่างสงบได้ในสิ่งเหล่านี้มันเป็นศิลปะในการที่จะที่ไม่ควรละเลยและต้องผ่านต้องมีการฝึกฝนนะความตายเนี่ยแต่มาเรียกว่ามันเป็นการสอบครั้งสุดท้ายและเป็นการสอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าเราสอบได้ครั้งเดียวนะ ไม่มีโอกาสแก้ตัวสอบเอนทรานสอบเข้ากรมสุลกากรสอบเลื่อนขั้นนี้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็สามารถสอบใหม่ได้แก้ตัวใหม่ได้แต่บททดสอบที่เรืองความตายนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวนะฮะแล้วก็เดิมพันสูงมากเลยสอบเอสอบเอนทรานตกไม่มันก็มันก็ทุกนะแต่ว่าเดิมพันไม่สูงเท่าไหร่ยังสามารถกลับมาสอบใหม่ได้สอบ สอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไม่สอบไม่ได้ก็ไม่ตายนะแต่ว่าถ้าไอ้เวลาใกล้จะตายเนี่ยเวลาเจอัททดสอบ ท, ที่เรียอความตายเนี่ยถ้าเราเติมพันมันสูงเพราะว่ามันความทุก์นี่มั น, ม, นมันมหาศาลเลยเป็นความทุกข์ที่เงินไม่สามารถจะช่วยได้ไม่มีอะไรจะช่วยได้นอกจากใจของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หน้าแปลกคือเราไม่นกอยได้เตรียมตัว รับมือกับบททดสอบนี้เลยเวล า, เาสอบเป็นท่านเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวเป็นปีสอบเรื่องขั้นเตรียมตัวเป็นเดือ น, นบางคนนี่เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเป็นนางงามเนี่ยจักรวานเนี่ยหกเจ็ดปีประเทศเวเนซุเอลานี่ยเขามีสถาบันฝึกนางงามโอโ้โหต้องเข้าสถาบันนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะกว่ัยได้เป็นนางงามนี้เกือบสิบปี แตเ่เป็นนางงามก็จะเป็นได้ปีเดียวเสร็จล้เวลาทุกข์ในความเป็นนางงามก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยหรือเตรียมตัวน้อยมากเรื่องความตายเตรียมตัวน้อยมากที่จะไปเชิญกับบททดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้อันนี้มันคือคือสิ่งที่น่ า, นาเสียดายและสิ่งที่น่าประหลาดบางคนนี่ฝึก ฝึกชงกาแฟ ى, เป็นอาทิตย์นะอย่างใครจะใครจะเป็นพนักงานร้านกาแฟบางบางยี่ห้อเนี่ยต้องไปเข้าคอร์สฝึกสามอาทิตย์ชงกาแฟ ى, บริการกาแฟ ى, เสิร์ฟกาแฟ ى. แต่ถามว่าคุณเตรียมตัวเรื่องความตายบ้างก็บอเปล่าศูนย์ไม่มีอันนี้มันคือคือตอนนี้เราหลงที่หลงทางกันมากนะเราไปเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และสิ่งที่เป็นสาระกับการเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระอนะแต่มาคิดว่าเพราะนี่นี่คือเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวเนี้อาตมาก็เลยทํากับกับคนกับเพื่อนในเครือขา่ายพุทธิกาทําการอบรมประเชิญความตา ย, ยางสงบนะอย่างทีนะงทนะ่ท่านภูมิเนการเล่านะอันนี้เราก็ทำก็คนสนใจเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในวงการพยาบาลหรือว่าคนที่มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยอยู่นะก็ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะ กลาวขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์มีคําถามมาว่าคือจากเนื่องจากเอกสารที่แจกไปนะคะคงจะมีปัญหานิดหน่อยทุกรุ่นก็จะถามว่าจากอนิสงส์ของสิ่งข้อสามคือนเอกสารที่เขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้ว่าถ้าละเว้นจากการประพฤติผิดในการมจะมีอนิสงส์ในข้อเจคือจะไม่เคยเป็นสตรีโดยมีคําอธิบายว่าถ้าผิดศีลทาไม่ดีต่อไปจะจะพัฒนาเป็นหญิงแสดงว่าหมายความว่าผู้หญิงที่เกิดมาทุกคนเคยประพฤติผิดในการเหรือคะ คือความอาความคิดแนวคิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีในพระไตรปิฎกนะเท่าที่อาจ ม, มาศึกษาดูเนี่ยมันมีอยู่ในคัมภีร์ชั้นหลังๆอธิกถาเป็นต้นอาจารย์าามาเพราะเนี่มันจะเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่ใช่เป็นพุทธพจน์อันนี้อาจาคิดว่ามาตั้งคําถามง่ายๆกันดีกว่านะโลกนี้เราโลกเนี่ยเรามีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเกือบครึง่งครึง่งใช่ไหมฮะ เกือบทุกประเทศเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยประมาณผู้ผู้ชายผู้หญิงสัดส่วนผู้ชายเนี่ยผู้หญิงประมาณร้อยกับร้อยสองร้อยสามหรือร้อยสิบถ้าผู้หญิงเนี่ยคือคนที่เคยทําชั่วมาก่อนเนี่ยก็หมายความว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีคนที่เคยทําชั่วมาอยู่ก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วคนที่เคยทําความดีมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์าตมาช่วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือใช่ไหมฮะเพราะว่า ทำไมมั น, มนตัวเลกมันออกมาเกือบ50 52 48สัดส่วนผู้ิงผู้ชายในโลกเนี่ยเกือบทุกประเทศจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นประเทศจีนและอินเดียซึ่งเขามีนียบายที่แผงแผงในการาทําแท้งเด็กผู้หญิงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายจะเท่าเท่ากันในความที่เขาตมานี่ยผู้หญิงผู้ชายการที่ผู้หญิงผู้ชายมันจะเท่ากันมันเป็นอธิบายได้ได้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทาง อันนี้สองของสีอย่างที่ว่ามาแล้วตมาคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีเดสมัยนี้นะมีบุญมากกว่าผู้ชายถามว่าในคุกเวลานี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายอันไหนมากกว่ากันในคุกนะในมาชเลย์เวลานี้เนี่ยในอเมริกานะผู้หญิงมีสัดส่วนหกสิบเปอร์เซนตในมาชเลยในอเมริกานะคือเวลานี้เนี่ย แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุยืนมากกว่าผู้ชายอันนี้สถิติที่ไหนเราก็เห็นเนกันว่าผู้ชายเนี่ยอายุอัตราอายุเฉลี่ยผู้หญิงจะมากกว่าอายุเฉลี่ยผู้ชายทุกทุกประเทศทั่วโลกคนที่ทําบุญให้กับวัดวารามก็เป็นผู้หญิงคือถ้ามองแบบสายตาแบบสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเวลานี้เนี่ยอัตามารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนี่ มีบุญมากกับผู้ชายใช่ไมมีโอกาสแล้วเวลานี้เนี่ย เ, เมื่อเร็วๆนี้นิตยสารอ o n o นมิสเขาทำวิจัยเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดจากผู้หญิงเขาเรียกว o m ม n โนม c s เขาไม่รู้เขาตั้งขึ้นมาใหม่ว o เมน o m ม c s คือเศรษฐศาสตร์วด้วยผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสัดส่วนขอ ง, ข อ, ง, ข อ, งอิทธิพลของผู้หญิงในวงการเศรษฐกิจเนี่ยสูงมาก เพราะฉถ้ามองด้วยมองด้วยมองด้วยมองด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยมันยังนึงไม่ออกเลยว่าผู้หญิงนี่เขาจะจะเป็นเพศที่เกิดจากการทําการทําบาปสิ่งข้อสามได้อย่างไรนะอาตมาเชื่อนี่เป็นความเป็นเป็นมติของอัทธกถาาจารย์หรือว่าอาจารย์ชั้นหลังๆซึ่งอาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในสมัยนี้เราก็พบว่าเป็นผู้หญิงนี่มีโอกาสจะจ ะ, จะเจริญเติบโตหรือว่าจะมีชีวิตที่ผาสุขมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ํา ตอนนี้เลยเกิดขึ้นมากนะในโดยเฉพาในอเมริกาเนี่ยไม่ทราบตอบคำถามหรือเปล่าตอบค่ะพอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในถ้าหากฟังจากของอาจารย์สุชินเนี่ยนะคะก็มีคำถามนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงจำนวนหนึ่งทีเดียวก็จะรู้สึกรับไม่ได้กับการพูดแบบนี้ของของบอกว่า การพูดแบบนี้นะคะก็อาจารย์สุจินก็จะอธิบายไว้ซึ่งในซีดีพี่ไม่ทราบก็น่าจะมีอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งถ้าไม่มีก็ลองลองลองเข้าไปในธรรมะโฮมคอมมนนะะน่าจะมีคำอธิบายคือคอาอธิบายของอาจารย์สุจินก็น่าจะฟังแล้วสบายใจกว่านี้ไม่ขัดหูเท่าไหร่คืออาจารย์ก็จะบอกว่าบางทีเป็นเพราะว่าเราเราเราต้องการคือบางคนก็พอใจที่จะเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคอาจารย์ ก็หมายถึงว่าก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะหลายอย่างก็เป็นเรื่องของการสั่งสมความสามารถความถนัดบางคนเขาถนัดเล่นดนตรีเขาก็เป็นเพราะว่าเขาเคยสั่งสมบ์เขาก็ถนัดบางคนถนัดเรื่องการทําอาหารก็เพราะเรื่อ ง, องการสั่งสมซึ่งมันก็ไม่ใช่มาสั่งสมในพพชาตินี้พพชาติเดียวเพราะการพอใจที่จะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยได้เหมือนกันมีคําถามอะไรอีกไหมคะน่าเสียดายถ้าไม่ถามยังพอมีเวลานะคะ มันต้มาเสริมหน่อยเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยค่ะอ่าบางทีเราเราเราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเดี๋ยเพราะเรื่องกรรมเก่านี่ไม่ค่อยถูกต้องคือพระเจ้าบอกว่าเนี่ยลัทธิความคิดที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สามลัทธิอันที่หนึ่งคือความคิดที่ว่าสุขทุกเกิดจากพระเจ้าอันที่สองสุขทุกเกิดจากกรรมเก่า อันที่สามสุขทุกเกิดจากความบังเอิญเวลานี้เนี่ยเรามักจะอธิบายว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยในเวลานี้เนี่ยเป็นพ่อกรรมเกา่านะกรรมการนี้เป็นอดีตชาตินะซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ทธจ้าได้ได้ตัดไว้โดยพงเองแล้วว่านี้ไม่ใช่ลัทธินในพุทธศาสนานะอันนี้เป็นและเพราะว่าสิ่งที่เป็น ส, สิ่งที่กําหนดให้เราเป็นปัจจุบันเนี่ยมันมันมีหลายมันมีหลายสิ่งหลายอย่าง โซนหนึ่งอาจจะเกิดจากกรรมหรือการกระทําสมัยที่เรายังเป็นเด็กส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการกระทําสมัยที่เรายัางอยู่อีกภพชาตินึงก็ได้อัตมาก็มีปฏิเสนแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากดินฟ้าอากาศโซนหนึ่งก็เกิดจากสภาพทางชีววิทยาที่เรียกว่าพีชานิยามถ้าเกิดจากดินฟ้าอากาศแล้วเลืออุตุนิยามมันมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างที่ทําให้คนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์หรือเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ ที่ชาวพุทธเราเนี่ย เ, เราไปเราไปเข้าใจว่าทุกอย่างนี้เกิดเพราะกรรมอย่างเดียวแตมาคือพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องกรรมนะว่ากรรมนี่สําคัญเพราะว่ามันอยู่ในอำนาจของมนุษย์ที่เราจะควบคุมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมนะแล้ประเด็นที่สองคือว่าเวลานี้เราเข้าใจเรื่องกรรมผิดๆจงกระทั่งมันกลายเป็นเครื่องมันกลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายคนคนที่ทําความดีอย่างเช่นมี ครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะสามีนี่ก็มีภรรยาที่ดีมากเลยกลับมาบ้านภรรยานี่ก็ช่วยดูแลทุกอย่างในบ้านสามีไม่ต้องทํางานบ้านเลยกลับมาแล้วก็ภรรยาทําให้หมดนะเ ห, น เ, หนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเจ้าชา ย, ยแหละนะทั้งที่ภรรยานี่ก็ทํางานนอกบ้านด้วยเสร็จแล้วมาวันหนึ่งภรรยาก็ล้มป่วยเป็นมะเร็ง แล้วก็ยิ่งกว่านั้นแม่ยายก็เป็นอัลไซเมอร์สามีคนนี้ก็ดีนะกลับบ้านก็มาปรนิบัติภรรยาดูแลแม่ยายนะทั้งๆที่ก็มีคนงานดูแลอยู่แล้วก็เป็นก็เป็นงานหนักทีเดียวลว เพื่อนบ้านก็บอกว่าไอ้นี่องสาสกรรมเก่าคงจะคงจะไม่ดีคงจะคงจะทำอะไรไม่ดีกับเมียตัวเองไว้ชาตินี้ก็เลยต้องมารับใช้คือการพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามองข้ามว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเนี่ยเขากำลังทำความดีที่น่าสารรเสริญ เขาสามารถที่จะหนีหรือว่าไม่รับผิดชอบไม่ดูแลภรรยายหรือแม่ยายก็ได้แต่เขาก็ดูแลในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะชื่นชมว่าสิ่งที่เ็าทำนี่เป็นความดีที่เราควรทำควรเป็นแบบอย่างใช่เขาก็ลังทำกรรมดีที่เขากำลังทำกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีแต่ชาวพุทธ จำนไม่น้อยเนี่ยกลับไปพิพากษาว่าไอ้นี่ต้องชดใช้กรรมที่เคยทำเอาไว้กลายเป็นว่าใช้แนวคิดเรื่องกรรมนี้มามามามาดิสเครดิตหรือว่ามามามาซ้ำเติมนะผู้ชายคนนี้เชื่อมาคิดว่านี่เราเราเราไม่ควรที่จะในทางพุทธศาสนาเนี่ยการคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ ไม่ดีเลยคืออันที่หนึ่งนอกจากมันจะเป็นการซ้ําเติมคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าเราหมดโอกาสที่จะไปเรียนรู้แบบอย่างที่ดีงามจากผู้ชายคนนี้ เ, เราคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องทําเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเลยเนยจากจากการกระทําที่ดีๆของคน กล่าวขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่งค่ะเธอเนื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องกรรมค่ะคือเราจะพบว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเวลาคนที่ถูกละเมิดเนี่ยก็จะถูกละเมิด อ, อย่างรุนแรงและน่าสงสารเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตากรุณาแต่เราก็มีเรื่องกฎแห่งกรรมมีเรื่องอะไรเหล่านี้ทําให้บางที คนส่วนหนึ่งในสังคมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวหรือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเขาได้เพราะเป็นกรรมของเขาไม่ทราบว่าเราในในฐานะที่เราเป็นศาสนิกพุทธศาสนิกในในประเทศนี้นะคะเราจะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะคือเมื่อเราเห็นคนทุกข์ใช่ไหมแทนที่เราจะช่วยเหลือเราก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องชดใช้กรรมทันทีที่เราคิดแบบนี้แล้วทันทีที่เราปล่อยปากแล้วเลยเขา เรากำลังสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีให้กับตัวเราเองแล้วกรรมไม่ดีนั่นแหละที่มันจะตามล่าเราไปเมื่อถึงเวลาเราทุกข์เราเดือดร้อนก็จะไม่มีใครที่จะอาทรช่วยเหลือเราคือคิดอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดนะเมื่อคนตกทุกข์ได้ยานเนี่ยเราควรช่วยเขาจริงอยู่เขาอาจจะทำกรรมไม่ดีไว้ที่ทาให้เขาต้องได้รับ วิบากอันนั้น <Okay. S 1> นะแต่มันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นธรรมะที่เราควรจะช่วยเท่าที่เรามีกําลังเว้นแต่ว่าเราหมดปัญญาก็ถึงค่อยวางอุเบกขานะแต่อยากจะย้ำํำนะว่าถ้าหากว่าเราเราบอกว่าเราเห็นคนทุกข์แล้วเราก็บอกนี่เป็นกรรมของสัตว์นะทันทีที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยเรากําลังทํากรรมเลวไว้แล้วนะ <Okay. S 1> แล้วกรรมนั้นก็จะตามเรามา อัตมาเชื่อเราไม่ฉลาดเลยเป็นการไม่ฉลาดที่เราจะจะคิดแบบนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลร้ายต่อเราก็ได้เรื่องการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยอาตมาเชื่อมันมีอา น, นิสงส์มากนะเอ่อเมื่อเมือม่อเมื่อซักเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีพยาบาลที่โรงพยาบาลสมคลานครินหัดใหญ่ที่หมอจูหลิงเนี่ยกาลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ ก็เล่าถึงหมอคนหนึ่งซึ่งซึ่งว่ายน้ําในสระแล้วก็เกิดทําเกิดอี่ท่าไหนไม่ทราบแล้วก็เกิดหมดส ต, ติแล้วก็จมลงไปนานทีเดียวแล้วก็กว่าจะฟื้นกว่าจะเอาขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็ทําการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ใช้เวลานานทำไมถึงอยู่ในาน้ำเนี่ยนาน หมอต้องปัม๊มต้องทําทุกอย่างเนี่ยนะทั้งต่อท่อทั้งกระตุ้นด้วยการใช้เครื่องหายใจเทียมหัวใจเทียมหายใจเทียมเนี่ยแต่ปั๊มหัวใจเนี่ยใช้เวลาถึงเจ็ดแปดชั่วโมงซึ่งถือว่านานมากนะปกติไม่มีใครทําทํานานขนาดนั้นซึ่งปกติควรจะตายไปแล้วประกอว่าเขาล่อกลับมาได้หมอคนนี้เนี่ยซึ่ง ซึ่งถูกป้๊มจนรอดมาได้เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อตอนที่เขาหมดสติไปเนี่ยเหมือนตายเนี่ยเขาเห็นพระรูปหนึ่งถือไม้เทา้านําเข้าไปนะเขาไม่รู้จักพระรูปนั้นเลยแล้ววันดีคืนดีเขาก็ไปเชียงใหม่แล้วเขาก็ไปเจอไปไปเที่ยววัดวัดต่าอยู่วัดหนึ่งแล้วก็ไปเจอเจอไม้เทา้าที่หน้ากุติพระรูปหนึ่ง นายท้านนเนี่ยมันเหมือนนายท้าที่เขาเห็นในในในนิมิตตอนที่กําลังจะตายก็เลยขึ้นไปนมัส ก, การหลวงพ่อที่กุฏิแล้วก็เล่าเรื่องว่าตัวที่ตัวเองรอดตายให้ฟังพระหลวงพ่อนั่นก็เลยถามว่าลองนึกดูคุณได้ทําความดีอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะ <Okay. S 1> มะก่อนที่จะเกิดเหตุ น, นั้นแล้วก็นึกทบทวนก็บอกเนี่ยไล่ไล่กันเนี่ยแกไป ไปเห็นลัหลังมดหลังมดเนี่ยมันทั้งหลังเลยนะมันตกน้ําตกน้ําตกในสระแกก็ไปช่วยมดทุกตัวเนี่ยเท่าที่จะทําได้ทุกตัวเนี่ยขึ้นฝั่งหลวงพ่อก็เรียกสงสัยบอกว่าเนี่ยสงสัยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้กรรมที่คุณทํำเอาไว้เนี่ยมันก็มาช่วยทําให้มีชีวิตรอดไปได้คือถ้าถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะมันก็แสดงเห็นเลยว่าอนิสงการช่วยคนนี่มัน มันอย่าว่าช่วยคนเลยช่วยสัตว์แม้แต่สัตว์เดรชาหรือมแมลงเนี่ยมันมีนอานิสงส์มากนะเฮะแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นใครทุกข์เนี่ยต้อมาคิดว่าแทนที่เราจะบอกปัดไปว่าเป็นเรื่องกรรมของสัตว์หรือว่าให้เขารับกรรมไปการที่เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมันจะมันจะมีผลดีกับตัวเราเองในทางพุทธศาสนาเนี่ก็ถือว่าต้องช่วยอยู่แล้วนะไม่ว่าใครจะประสบภัยมาพระพุทธเจ้าในท่าน ช่วยมนุษย์ทุกคนเท่าที่จะช่วยได้แม้พระองค์จะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นเขาเคยทํากรรมไม่ดีมาก่อ น, นแต่ว่าการที่คนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าได้ทํากรรมดีมาพอสมควรแล้วและทุกคนนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นที่จะบรรลุทำขั้นสูงหรือว่าได้ค้นพบประโยชน์สุด ข, ของการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยนะมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งแก่เขาแล้ว แ, แก่เราเองด้วย ค่ะมีคําถามอะไรอีกไหมคะอาจารย์ตอนไปอยู่ตอนจะไปทํางานทางด้านเกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีดูมีโอกาสได้ดูวีดีโอซีดีตักใบด้วยอะค่ะเราเป็นเขารู้สึกว่าเพื่อนร่วมชาติเพื่อนของคือไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติอย่างเดียวเขาเป็นมนุษย์บนโลกนี้นะคะเขาถูกกระทําขนาดนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมที่ แต่คนถามบอกว่าเป็นถ้าไปจดดูดูทะเบียนบ้านนี่ต้องเป็นพุทธแน่ๆค่ะเป็นพุทธเป็นพุทธศาสนาชนแน่ๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะว่าศาสนาพุทธไม่สามารถช่วยกล่อมกลาวจิตใจของคนได้หรือเปล่าคะถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมากมายคือศาสนาพุทธเนี่ยก็คือถ้าเขาสามารถน้อมเข้ามาใ ส, ใ, สใส่ใส่ใจเขาได้เนี่ยมันก็จะช่วยกล่อมกลาก็ได้ศาสนาพุทธนั้นก็สามารถที่จะช่วย ช่วยช่วยฟื้นหรือดึงความเป็นมนุษย์ของเขาให้กลับขึ้นมาได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราถูกบทบงังด้วยการแบ่งเขาแบ่งเรา mm hmm. เราแบ่งเขาแบ่งเรา เ, เราไม่ใช่แบ่งว่าเป็นพุทธกับมุสลิมหรือเป็นพุทธกับไม่ใช่พุทธเท่านั้นเราทุกเรามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยกิเลส ข, ของเรามันจะพยายามแบ่ง mm hmm. แบ่งเขาแบ่งเราไปไปไม่หยุดเช่น mm hmm. เดิมเริ่มทีเราก็แบ่งว่านี่พุทธไม่แล้วแกไม่ใช่พุทธในหมู่คนพุทธก็ยังแบ่งอีกว่าเป็นคนภาคไหน <c oughs> นะหรือว่าในหมู่คนภาคเดียวกันเช่นกรุงเทพก็ยังแบ่งว่าคนพวกนี้โปรทักษิณพวกนี้ไม่โปรทักษิณในหมู่พวกที่โปรทักษิณก็ยังแบ่งอยู่ไปว่าเป็นทหาร ห, หรือตำรวจ นะถ้าเป็นตะลุจตำรวจฉันเป็นทาหารก็คนละพวกในหมู่ทหารด้วยกันก็ยังแบ่งอีกว่าจบสถาบันอะไรคจบจบปรอมาหรือเปล่าใ ช, ใช่ไหมไอพวกที่จบจบปรอก็ยังแบ่งว่าจบรุ่นไหนใช่ไหมคือคนเรานี่แบ่งตลอดเวลานะฮะจนกระทั่งในบ้านเดีกันก็ยังแบ่งกันอีกอันนี้คือไอความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เกี่ยวกับตัวเรา แล้วก็เพราะนั้นตะมาคิดว่าคืออย่าว่าแต่ข่ามุสลิมเลยเพื <Okay. S 1> ่อนอัตามาเนี่ยเป็นพระนะอยู่ที่ <Okay. S 1> ฝางอยู่ที่ <Okay. S 1> ฝางฮะถูกฆ่าด้วยคนสามคนเป็นอย่างน้อยใช้มีดพระฟันนะเก่งเพราะว่าท่านเนี่ยช่วยดูแลรักษาป่าถามว่าคนที่ฆ่านี่เป็นใครตามาก็ดาว่าโอกาสที่เป็นพุทธเนี่ย99เปอร์เซ็นตค่ะนะ คือแม้แต่พูดด้วยกันก็ฆ่ากันอย่าว่าแต่ภารูปนี่ภาพลุกอื่นก็ถูกฆ่าถูกปืนยิงผ้าที่นองความปฐมแรงต่างก็พูดคือมันไม่ใช่มันคือเวลานี้เนี่ยเราเราเราพอเราไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเขาเป็นเรา <c oughs> โดยที่าศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดเส้นแบ่งขึ้นมาเชื้อชาติภาษาอันมาคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราเราไม่รู้ทันกิเลสตัวเรา เราก็มีแน well ้โน้มที่จะแบ่งซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาโดยเพราะถ้าเรายึดติดในผลประโยชน์นี่ยธรรมาคิดว่าเนี่ยมันจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็พยายามที่จะขัดเกลารจิตใจตัวอยู่เสมอนแล้วก็มีความมีแล้วต้องพยายามที่จะดึงเอาความเป็นมนุษย์ของเรากลับขึ้นมาศาสนาพุทธเนี่ยสามารถที่จะกล่อมเกลาจิตใจเราได้ แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ว่าเราไม่ได้น้อมนำเอาศาสนาพูดเข้ามาไว้ในใจเราด้วยก็เลยเกิดปัญหาก็น่าเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีจริงๆมีคำถามอะไรอีกไหมคะยังมีพยาลาอีกประมาณสิบนาทีอีกห้านาทีกว่าๆเอาต้องมาเอาภาพมาให้ดูดูเล่นๆกันดีกว่านะฮะค่ะเป็นคติทําได้หวังว่าภานี้ผงจะไม่ไม่เสียดูง่ายๆเป็นกติธรรม ของฝรัง่งแต่คิดว่าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันก็ว่าสามสิ่งในชีวิตที่เราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้คือหนึ่งเวลาสองคำพูดสามโอกาสนะไอ้ของพวกนี้เนี่ยมาแล้วก็ไปเลยมีสิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือความสงบนะอย่างที่ตามาว่าความซื่อสัตย์และความหวังคนเราถ้าขาดสามสิ่งนี้ก็ ความสุขหรือความเป็นมนุษย์ของเราก็สูญไปด้วยสิ่งที่มีค่าสามสิ่งในชีวิตเราคือหนึ่งความรักสองเคารพตัวเองเราจะเคารพตัวเองได้ไม่ใช่เพราะว่าเรารวยเรามีชื่อเสียงแต่เพราะว่าเราทําความดีและความรักนี่ก็รวมในความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยและเพื่อนแท้เนี่ยคนเราไม่ต้องมีเพื่อนมากมีเพื่อนแท้สองสาคนนี่ก็ก็มีความสุขแล้วครับบางทีก็อาจจะตายตาหลับได้ ความไม่แน่นอนในชีวิตสามอย่างคือหนึ่งความฝันความสำเร็จนะความสำเร็จนี่ก็อย่าไปประมาทนะมันจะแปลเป็นความล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ได้และโชคชะตาถูหวยยี่สบล้านนี่ก็แป่ไหมครับว่าจะมีความสุขนะฮะอาจจะทุกข์ก็ได้สามสิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือสุราความหยิ่งพยองความโกรธนะจรงไม่มีมากกว่านั้นนะฮะอ่อ ความโลภหรือว่าอกิเลสตัณหานี่ก็ทําลายชีวิตเราได้จิตใจที่ดีเป็นด่งสวนความคิดดีเป็นลากไม้คําพูดดีเป็นด่งดอกไม้บานสะพรัง่งการกระทําที่ดีเปรียบเหมือนผลไม้คิดดีพูดดีทําดีนะฮะสำคัญเลยเราต้องการพรนะฮะแต่พรนี่ไม่ได้เกิดจากใครมาให้เรานะฮะ จะเกิดจากการเราทำให้กับตัวเราเองเราก็จะมีความสุขด้วยมีอีกนะฮะนี้มีคำบรรยายมากหน่อยนะฮะทุกวันนี้เรามีตึกสูงลักฟ้าถนนกว้างขวางแต่คนเรากับมีความคิดคับแคบและโมโหง่ายเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ได้ประโยชน์น้อยนะฮะมีบ้านหลังใหญ่แต่ครอบครัวกับเล็กลงน่าแปลกนะเราประนีประนอมมากไปแต่ให้เวลาน้อยเกินไปเรามีความรู้่ากมาย แต่ไม่มีดุลพินิจในการตัดสินใจเรามียารักษาโรคมากมายแต่สุขภาพไม่ดีเลยเรามีทรัพย์สินมากมายแต่คุณค่าของเรากำลังลดลงเราพูดมากแต่ให้ความรักน้อยและเพิ่มความเกลียดมากเราไปถึงดวงจันทร์แต่เราไม่ยอมข้ามถนนไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านเราประสบความสำเร็จในการชนะอวกาศแต่ให้แพ้ในโลกของเราเอง เรามีรายได้มากขึ้นแต่ศีลธรรมน้อยลงอิสระเสรีมากขึ้นแต่กลับล่าเลื่องน้อยลงมีอาหารมากขึ้นแต่โภชนาการแย่ลงทุกชีวิตทุกวันนะคู่ชีวิตมีรายได้เข้าบ้านมากขึ้นแต่ยาล่างก็เพิ่มขึ้นด้วยเรามีความสุขในบ้านมากมายแต่มีไม่น้อยที่ครอบครัวแตกแย่อันนี้ก็บอกทุกวันที่คุณยังมีชีวิตอยู่คือวันพิเศษนะ หาความรู้อ่านหนังสือนั่งริมหน้าระเบียงชื่นชมกับทัศนียภาพนะคืออยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มากขึ้นทานอาหารที่ตนชอบเที่ยวสถานที่ตนปลดปราน่าย่ายแค่ น, นี้แล้ว <c oughs> ชีวิตพอเพียงเราไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากชีวิตนี่คือห่วงเวลาการเยวงดื่นลมไม่ใช่ดิ้นลนเพื่ออยู่รอดหรือร่ารวย อย่าไปอย่าไปคิดแต่ว่าสักวันหนึ่งหรือบางวันคืออย่าผัดผ่นนะแต่ว่าเริ่มต้นที่วันนี้บอกกับครอบครัวและเพื่อนพ้องว่าเรารักพวกเขาแม่แค่ไหนอย่ารีรอที่จะเติมเสียงหัวเราะเพื่อความสุขของชีวิตทุกทุกวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีมีความสําคัญเพราะคุณไม่ทราบเลยว่าเวลาชีวิตของคุณจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทุกช่วงมีค่านะทุกเวลานาทีมีค่าเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ตบท้ายด้วยคําของจามพุทธทาสนะอันนี้อ่านอ่านแล้วก็แล้วกันนะเป็นเป็นคติในการเกี่ยวข้งของกับผู้อื่นชื่อเรื่องว่าจงทํากับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่าขอเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราขอเป็นเพื่อนเวียนว่ายอยู่น้ัตาสงสารเหมือนเรา อยู่ท่านหน้ากิเลสเหมือนเรามีโทสะโมหะไม่น้อยไปกว่าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเหมือนเราโง่ในบางคราวเหมือนเราทำตามใจตัวเองในบางครั้งบางคราวเหมือนเราอยากดีเหมือนเราอยากเด่นอยากดังเหมือนเรามักจะ ก, กอบโวยและเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสเหมือนเรานะเหมือนเราหลายอย่างเนะนี่ยคนคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย เรา่าไปด่าว่าเขาเพราะบางทีเขาก็เหมือนเราหลายอย่างยึดมันถือมันอะไรต่างๆเหมือนเราเป็นเพื่อร่วมชาติร่วมาศาสนาเดียวกับเราทำอะไรด้วยความคิดชั่วแล่นผลุนพันธ์นเหมือนเราเขามีหน้าที่รละผิดชอบต่ อ, อครอบครัวของเขาไม่ใช่ของเรามีสิทธิที่จะมีรสนิยมตามพอใจของเขามีสิทธิที่จะเลือกตามพอใจของเขา มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประสาทหรือบ้าพอๆกับเรามีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือเห็หนอกเห็นใจจากเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับอภัยจากเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นสังคมนิยมหรือเสรีนิยมมีสิทธิ์ที่จะเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ผู้อื่นมีสิทธิ์ที่แห่มื่อเสียชนเท่ากับเราถ้าเราคิดกันอย่างนี้จะไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเลย ลองคิดแบบนี้บ้างนะฮะว่าทีจริงคนเราก็ไม่ได้แตกต่างจากกันเลยอลไรฮะก็คงจะไม่มีไม่มีคําถามแล้วนะคะพระอาจารย์คะการเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้โลกซึ่งสับสนวุ่นวายและรีบเร่งจนบางทีเราก็ตามตามมาตามตามเขาไปโดยที่เราก็ไม่ได้นึกไม่ทันกลับมาดูว่าจริงๆแล้วชีวิตคืออะไร เรามีภารกิจอะไรเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเรามีกิจอะไรที่จะต้องทําในฐานะที่เกิดมาเป็นคนซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกบ่อยๆหรือเปล่าหรืออีกเมื่อไหร่อีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่วันนี้พระอาจารย์พาเรากลับมาดูตัวเองกลับมาพาเรา